บินาบาดได้รถอาหารไหม <fik ar. S 1> นี่ให้รถเป็นทานด้วยนะใช้สอยรู้สึกแข็งอ่อนเป็นโพอทบทานนะทานให้ประโยชน์ในการปกปิดกายเพื่อป้องกันความละอายป้องกันความหนาวร้อนทั้งหลายต่างๆเป็นต้นเหล่าเนี้ยนะความร้อนก็ดียุงเหลือบริ้นไหลทั้งเป็นธรรมทานนะพวกนี้นะเป็นธรรมทานหมดเลยฉะนั้นเราจะปารบอะไรดีอะ จีวรเนี่ยปารบสีก็ได้เสียงก็ได้กลิ่นก็ได้รสก็ได้โพธิภาพก็ได้ธรรมารมณก็ได้โดยความเป็นทานเริ่มมองมุมชัดขึ้นไหมเห็นชัดขึ้นเนี่ยเขาเรียกถ้าให้ทานแบบนี้ปัญญาเกิดไหมเป้าหมายเพื่อ ท, งทางธรรมเนี่ยทําปัญญาให้เกิดไม่ใช่ให้แบบทื่อๆ น, นะให้ทื่อๆให้ยังไงให้ไม่คิดหน้าคิดหลังอะ่ะให้ไปบอกเห็นทานเป็นการดีเขาให้ทานก็ไปให้เขาไปนู่นอ่ะให้หใหโอ้ดีใจเกามาดีใจดีใจ บางคนให้จนติดเลยนะก็ยังดีนะแตยาสายชอบให้อะใครขออะไรให้หมดให้ให้ให้ให้แถวใ ห, ใ ห, ใ ห, ให้คิดไงไม่เดีคิดล็อกแล้วจะทีนี้มันจะมีปัญหาตามมาเนี้ยโลภะก็ไม่ถูกละโทสะก็ไม่ถูกละโมหะก็ไม่ถูกละเอาสิทตเนี้ยก็มีแต่คิดว่ายิ่งให้ยิ่งได้แล้วอะไรจะตามมาโลภะถ้าไม่ได้โทสะอีกอะไระตามมาเยอะเนีแค่นั้นการให้การให้ต้องบริหารมานามธรรมที่เป็นกุศลอย่างต่อเนื่องไหม นามธรรมที่เป็นกุศลอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะหมหากุศลยาณสัมบยุทธอสังขาลิกนี่นะต้องตั้งอัธยาศัยว่าจะให้กุศลประเภทนี้เท่านั้นเกิดขึ้นแล้วก็พัฒนาให้ต่อเนื่องให้ยานปัญญาเกิดขึ้นได้ทําความไม่โลภความไม่โกรธให้เด็ดขึ้นทําปัญญาให้ชัดเจนขึ้นให้เห็นกรรมและผลของกรรมให้ชัดเจนเบ็ดเสร็จอันนี้ทานกุศลจะแข็งแรงเอาไปวิจัยอย่างต่อเนื่อง อย่าให้ทานเพียงแค่สละทิ้งวัตถุอย่างเดียวเดี๋ยวจะเหมือนทิ้งขยะหัว่ามาพุ่นมาเยอะแล้เกินในเรื่องทานกุศลเป้าหมายเพื่อต้องการให้เราท่านทั้งหลายได้มีความเข้าใจกันจริงๆนะแล้วเดินได้จริงๆอนะ่ะเอางี้ต่อให้ทานแล้วเดินทานกุศลจนนั่งอาสนะเดียวระลึกถึงจาคานุสติได้เป็นชั่วโมงสองชั่วโมงแล้วดิ่งในลมเดียวได้แล้วตั้งมั่นเป็นสมาธิได้เมื่อไหร่นั้นทานกุศลประสบความสําเร็จแล้วตอนนี้ได้อย่างนั้นหรือยังได้หรือยัง ที่ยังบกพองอยู่นะสะก็นีไ่ไงกาลังจะเดินต่อไปอยู่นีไ่ไงจาขานุสติเป็นอนุสติหรือเปล่าอนุสตินี่อยู่ในกรรมฐานเปล่าเมื่อเป็นเป็นกรรมฐานนี่เป็นสติปัฏฐานไหมเนีสติปัฏฐานก็อยู่กับสมถะและวิปัสนาต่อวิปัสนาได้ไหมเอาหลักฐานไหมในพระตรีิตรดอกเล่มที่สิบาในเอกะวะพระบระาลีพระเจ้าตรัสว่าทำอย่างหนึ่งที่บุคคลเจริญแล้วก็ทําให้มากแล้วแล้วไปถูกฝึกมาแบบแคบมาหรือเปล่าเมื่อกี้ยอมว่าไงเนยะเดินไปดูลูบแปลว่าอะไร คนละเรื่องกระทานนั่นเนี่ยเราไปถูกสอนอย่าง ง, างั้นไงโยมเราไปถูกสอนเข้าวงจรตรงนั้นไปแล้วเรียบร้อยเลยนะเนี่ยเหมือนเราเหมือนอย่างนี้โยมไม่ต้องเรียนครับไม่ต้องเรียนพัฒธรรมเขาเขาเขานิาาาา่งกันได้นะเขาท่องอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งไปก็ได้เขาร้องเพลงก็ได้นะบางคนเนะ่ะเขาเดินไปเขาไม่วุ่นวายเขาร้องเพลงโยมเขาร้องเพลงก็มีความสุขเขาฟังเพลงก็มีความสุข จิตเขาดิ่งอยู่ในเพลงน้องเขาก็มีความสุขเขาในยมในชั้นกองคาสอนน่ยมันมากกว่านั้นมันไม่ใช่แคบอย่างนั้นเลยมันไม่สับสนนะตอนนี้กําลังเดินทานศีลหรือภาวนาอยู่เนี่ยเขาแยกแยะ ก, กันได้ชัดเจนเลยนะเข้าใจไหมเขาไม่ใช่เป็นแบบที่ว่าเออแค่ไม่วุ่นวายมันมันเป็นบุญมันไม่ใช่โลภะก็ไม่วุ่นวายนะถ้าโลภะดิ่งในลมเดียวอะ่ะคนบางคนเนี่ยเขาสามารถฟังเพลงได้เป็นชั่วโมงชั่วโมงนะ เขามีความสุขเขาน่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยเขาไม่วุ่นวายกับใครนะพวกที่เล่นคอมพิวเตอร์เขาเล่นเล่นเกมมายองเล่นปกแป๊กปอกแป๊กทั้งวันเลยแล้วเขาบอกจิตเป็นสมาธิเขาจะว่าไงเนี่ยแล้วเด็กทุกวันเนี่ย เ, เขาเขาวุเา่เขาไม่วุ่นวายกับใครแล้วพ่อแม่ไปนั่นกับเขาเขาก็ไม่อยากยุ่งกับพ่อแม่เลยนะเขาอยู่กับหน้ า, นาคอมก็แ ก, ก๊กก็แก๊กของเขาอยู่ทัั้งวนเหนยื่อ เขาไมอยากวุ่นวายกับใครเหมือนกันนะอันนั้นเป็นกรรมฐานไวนะ้เนี่ยเป็นไหมแล้วทําเอาทําไมไม่เป็น เ, เขาก็ไม่วุ่นวายกับใครเหมือนกันจิตเขาก็นิ่งเหมือนกันเอาสิเวลาเขาเขาไม่เล่นเขาก็น้อมเขาก็เห็นเนะ่ยเขาก็คี้เถ่นตลอดเนะี่ยเห็นเกมของเขาเข้ามาคิดเขาเขามีความสุขเขาอ่ะใช่ไหมมันไม่ใช่อย่างนั้นฉะนั้นทระด้านของทานกุศลก็ดีศีลกุศลก็ดีไม่ได้ไปอย่างนั้นมันเกี่ยวกับความเข้าใจอยู่เกี่ยวความเข้าใจลว้วนๆเลย ปัญญาต้องมาทํากิจถ้าปัญญาไม่ทํากิจเนะี่ยเดี๋ยวก็เรียบร้อยเลยชักกระเยอะกันอยู่นั่นเลยตรงนี้นะเดี๋ยวกล่าวตรงนี้ต่อไปก่อนเนี่ยดูอนาะถาพินิกาเศรษฐีในะเดเรื่องนี้มันจะยาวนิดหนึ่งในขนาดนั้นนะพระปรมศาสดาก็ประกาศฐานนาถาศีลกถาสัากคะคือสวรรค์นั่นเองกามาธินะว่าก็พูดถึงในเรื่องของโทษในรายละเอียดต่างๆตรงเนี้ยเอามาอาจจะ ก, กล่าวไปไว้บางที่แต่ยังไม่ ไม่ขยายตรงนี้ก่อนเพราะเวลาตลงใช้ค่อนข้างเยอะนี่นะการขยายตรงเนี้แล้วก็ความต่ํำสามความเศร้าหมองของกามทั้งหลายเออเดี๋ยวพูดตรงนี้หน่อยว่ากามเนี่ยโทษมันเยอะไหมคําว่ากามในที่นั้นเป็นชื่อของรเสียงกิริสัมผัส ด, ด้วยเป็นชื่อของตาหูจมูกลิ้นกายใจด้วยถ้าเรามองอย่างนี้อระพุทธเจ้าก็บอกมีโทษมากที่บอกว่าเหมือนชิ้นเนื้ออยู่บนอยู่ในปากปากแแรงฟูงแร้งในเวลาแรงตัวไหนมันคาบชิ้นเนื้อได้ ถ้ายังไม่ยอมปล่อยชิ้นเนื้อนั้นแรงตัวนั้นอันตรายไหมโดนตีโดนจิกตายไหมฉันใดตราบใดเรายังคาบตาหูจมูกเล่นกายใจไม่ยอมปล่อยไม่ยอมสละไม่ยอมวางไม่ยอมทิ้งจกโดนลมทึ้งจนตายตอนนี้กำลังโดนอยู่ตอนนี้กาลังโดนอยู่เนี่ยเราเป็นแรงตัวนั้นน่ะกำลังคาบชิ้นเนื้อแล้วไม่ยอมปล่อย ตอนนี้เรากำลังกอดติดแล้วตอนนี้อุตตลดกันใหญ่แล้วเนี่ยเราไม่ยอมปล่อยเลยไม่ยอมวางเข้าใจไหมเราไม่ยอมปล่อยเราไม่ยอมวางเราไม่มีอุบายปล่อยไม่มีอุบายที่จะวางด้วยเราเพราะเราหวงทุกวันเนี่ยเราพยายามจะยืมต้องการอยาก ใ, ให้ตาอยู่กับเรานานๆหูจะโหมลิ้นกายผมขนเล็ะฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกเนี่ยเรายือหมดอันนี้คือชิ้นเนื้อเบลเลอร์แล้วจิตที่ยึด ถืออันนั้นเป็นอ e ีแรงตัวนั้นแหละเป็นอ e ีแรงตัวนั้นแหละมันกําลังจิกชิ้นเนื้อเนี่ยแล้วมันไม่ยอมปล่อยตอนเนี้ตาหูจมูกทั้งหลายผมขนเล็บทั้งหลายมันกาลังเสื่อมกําลังโทมมันกําลังถูกอ e ีแรงตัวอื่นมาจิกมาตีมาจิก ต, กตีแต่เราไม่รู้จะปล่อยไม่ปล่อ ย, ไ ม, อยไม่ปล่อยก็ตายคาชิ้นเนื้อแรงตัวนั้นก็ตายคาชิ้นเนื้อเข้าใจอุปมาณี้ไหมเข้าใจไหมไม่เข้าใจใครเป็นอ e ีแรง ความอยากความยึดติดใจที่ไปยึดติดใครเป็นชิ้นเนื้อตาหูจมูกลิ้นกายใจ น, น, นั่นแหละขันห้านั่นแหละเป็นชิ้นเนื้อตอนนี้มันมั น, ม, นมันหวงใครจะไปยอมปล่อยก็เราเห็นเป็นชิ้นเนื้อเราจะกินเราหิวเราต้องการเราต้องการตาหูจมูกลิ้นกายใจต้องการไหมตอนเนี้ยต้องการก็ต้องการจะไปต่างอะไรอีแล้งตันนั้นนะโยมอีแล้งในีอยากไปเขาเรียกนกแล้งใช่ไหมไอ้นกแล้งตัวนั้นแหละ แล้วมันอยู่ในฝูงแรงเงี่ยสินี่อุปมาเนี่ยฟังแล้วจะปวดไหมพิพิพจ้าอุปมาเธอก็เป็นได้แค่แรงไงว่างั้นนะแรงตัวนั้นแหละแรงที่อยู่ในหมู่แล้งตะกะทั้งหลายนั่นแหละก็เธอไปคาบชิ้นเนื้ออยู่มีอยู่ชิ้นเดียวเนี่ยนี่เธอกําลังโดนตีอยู่ก็ไม่รู้ตัวมาอ้ยทุกข์มากทาไมเนี่ยเขาต้องทาเราอย่างนี้อะไรก็เราพูดกันไปทั่วเลยใช่ไหมเราจะตั้งคําถามว่าทําไมทําไมทําไมทําไมไม่จบหรอก ถ้าพูดกันตรงๆว่าข้าบไว้ทําไมชิ้นเนื้อไม่ปล่อยซะแล่ววางเป็นไหมล่ะเอาก่อนจะวางเป็นเน่ยวางอย่างผู้มีศีลวางยังไงวางอย่างผู้มีสมาธิวางยังไงเอาสมาธิเป็นฐานในการพัฒนาปัญญาแล้วปล่อยวางแบบใช้ปัญญาปล่อยวางนะไม่ใช่ปล่อยวางแบบคนไม่มีอุบายวิธีถ้าปล่อยวางแบบคนไม่มีอุบายวิธีก็เรียบร้อยอีกวางไม่จริงอ่ะวางไม่จริงทําทีทําท่าไม่เอาแล้ว ชิ้นเนื้อนี่เก่าแล้วฮะทิ้งดีกว่าก็คือตายไปก็ไปคาบขึ้นมาใหม่อีกโอ้คาบไปดีไม่ใช่มนุษย์แล้วที่ไปคาบก็ไบรรยาสัตว์ขึ้นมาชิ้นเนื้อก็ห่วงอีกกอบกลัวตายเมย่ยอกบมันกลัวตายไหมเต่าเอ้ยกบเอ้ยปูเอ้ยปลาเอ้ยนกลัวตายหมดเละแต่ไม่มีพ้นทั้งหลายเลยโดนเพราะมันคาบชิ้นเนื้อนะเนี่เป็นอย่างนี้นี่อุปมานหนึ่งนะกามเหมือนชิ้นเนื้ออยู่ในปากแลงอีกอันหนึ่งกามเหมือนเขียงหั่นเนื้อไอเขียงสับเนื้อ ถามว่าโดนสับไหมเขาสับเนื้อถูกเขียงไหมโอ้โหเจ็บปวดไหมเนี่ยโดนสับไปเธอเปิบเปอยู่ตลอดเวลาโดนสับทุกวันนี่ไงการมีตาหูจมูกลิ้นกายใจนะ่อีกอุปมาหนึ่งว่าไงนะยคบเพลิงโทษ ว, วิ่งทวน ล, ลมคบเพลิงที่วิ่งทวน ล, ลมเนี่ยไฟลุกไหมร้อนไหมตอนเนี้ยตอนนี้นนเผาไม่รู้เผาอีกเยอะนะที่ท่านพูดในเรื่องของกามทั้งหลายเนีอ๊อพักสักสิบห้านาทีดีไหม อาพักกันหน่อยก็ดีดูแลยาว